เรื่องราวมันเกิดขึ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี2550พอดีที่เราสองคนคือเราและแฟนตั้งใจที่จะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของแฟนเมื่อวางแผนอะไรกันเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางในเย็นวันที่30ธันวากะว่าจะไปเช้าเอาที่โน่น และหลังจากนั้นก็วางแผนที่จะพากันเที่ยวเพราะแถวบ้านแฟนนั้นมีที่เที่ยวเยอะที่จริงเราเองก็ไม่ค่อยชอบเดินทางกลางคืนมากนักเพราะฟังและอ่านเรื่องผีข้างทางมาเยอะก็กลัวจะเจอประสบการณ์สยองสยองแบบนั้นเข้าบ้างนะสิแต่แฟนตัวดีก็อธิบายว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาล มีการเดินทางตลอดรถราก็เยอะแยะจะไปกลัวอะไรเราคิดดูก็น่าจะจริงและก็เป็นอย่างที่แฟนของเราคาดไว้จริงๆเพราะถนนทุกสายที่มุ่งหน้าลงไปสู่จังหวัดบ้านเกิดของแฟนเราคลำคลาไปด้วยยวดยานพานะทั้งส่วนตัวและสาธารณะซึ่งข้อดีก็คือมันทำให้เราหายกลัว ว่าจะเจอผีข้างทางลงไปได้แต่ข้อเสียมันก็คือรถติดเอามากๆโดยเฉพาะในบางช่วงก่อนออกจากกรุงเทพและบางช่วงที่ต้องผ่านตัวเมืองรายทางแต่ก็มีบางช่วงเหมือนกันที่พอจะขับได้สบายไม่ถึงกับติดมากนักอย่างไรก็ตามนั่นทำให้แผนการเดินทางของเรา คาดเคลื่อนไปพอสมควรเราขับรถมาถึงจังหวัดบ้านเกิดของแฟนก็เกือบๆตีสี่แล้วและแฟนก็เริ่มจะไม่ไหวแต่อีกไกลกว่าจะถึงอำเภอที่แฟนอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณร้อยกิโลเมตรเราก็เลยตัดสินใจหาโรงแรมนอนพักกันก่อนสายๆหน่อย ค่อยไปกันต่ออย่างที่รู้ๆกันนั่นแหละว่าหากเป็นช่วงเทศกาลห้องพักและโรงแรมแถวไหนก็มกักจะเต็มหมดและที่จังหวัดนี้ก็เช่นกันเราขับรถวนหาอยู่นานก็หาห้องพักไม่ได้สักทีจดแฟนเริ่มทนไม่ไหวร่ำรจะไปจอดรถนอนที่ปั๊มแต่พอดีนึกยังไงไม่รู้ แฟนขับรถเลยปั๊มไปแล้วเลี้ยวเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งพอดีมันเป็นโรงแรมสี่ชั้นเก่าๆออกแนวเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์มากกว่าซึ่งโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่แถวๆนอกเมืองสักหน่อยเลยปั๊มน้ำมันมาไม่ไกลมากนักน่าแปลกที่มันอยู่ติดถนนใหญ่แทๆ้ๆแต่ภายในบริเวณโรงแรมเงียบมากๆ เหมือนไม่มีคนเข้ามาพักเลยด้านหน้านั้นเปิดไฟสลัวๆวเอาไว้เท่านั้นเราเองก็รู้สึกปแปลกๆตั้งแต่เข้ามาในบริเวณโรงแรมแห่งนี้แล้วแต่ก็มีอยากจะขัดแฟนเพราะเขาไม่ไหวแล้วจริงๆก็เลยแข็งใจอีกครั้งเราเข้ามานอนพักแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็จะไป คงไม่น่าจะมีอะไรหลังจากคุยกับพนักงานที่เคาน์เตอร์เราก็ได้ห้องชั้นบนสุดของโรงแรมเป็นที่พักนอนคืนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าโรงแรมนี้ไม่มีลิฟต์ก็จำเป็นจะต้องเดินขึ้นและในระหว่างเดินขึ้นเราก็พยายามส่องดูตามทางเดินซึ่งน่าจะมีพวกไม่บ้าน หรือแค่ตามห้องต่างๆเดินไปมากันบ้างแต่มันไม่มีวี่แววของอะไรเลยเงียบไปหมดเหมือนมีแค่พวกเราอย่างไรก็ตามห้องพักของเรานั้นดูดีเกินคาดแม้จะอับไปหน่อยก็เป็นธรรมดาของห้องพักตามโรงแรมทั่วไปนั่นแหละทันทีที่เข้ามาถึงห้อง แฟนรีบล้มตัวลงนอนทันทีด้วยความง่วงส่วนเราก็เข้าห้องน้ำอาบน้ําตามปกติทุกอย่างดูเป็นปกติจนเราเริ่มคลายใจตั้งใจว่าอาบน้ําเสร็จก็จะของีบบ้างเหมือนกันเพราะทนนั่งเป็นเพื่อนแฟนมาหลายชั่วโมงจนเริ่มง่วงบ้างแล้วแต่พอออกมาจากห้องน้ํา ก็เห็นแฟนนั่งนิ่งๆอยู่บนเตียงพอเห็นหน้าเราแฟนก็รีบพูดขึ้นมาเลยว่าเธอแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยนะขับต่อกันดีกว่าอีนิดเดียวก็จะถึงบ้านแล้วเราก็ถามกลับไปว่าทำไมเหรอเริ่มรู้สึกเอกใจอะไรบางอย่างไม่มีอะไรหรอกลืมไปนะ่ะว่าพรุ่งนี้ต้องไปธุระต่ออีก แฟนตอบแบบเลีเ่ยงก่อนจะขอตัวไปอาบน้ำบ้างเพราะบนว่าเหนียวตัวแต่ก่อนเข้าห้องน้ำไปเขาก็ยังหันมากาชับว่าให้รีบแต่งตัวซึ่งผิดวิสัยของแฟนเราเป็นอย่างมากเขาไม่ใช่คนประเภทจำจี้จำใช้เราคิดว่าแฟนเราคงต้องเจออะไรเข้าให้แน่ก็เลยรีบแต่งตัวและเก็บข้าวของ แต่ด้วยความที่เพิ่งสะผมเสร็จใหม่ๆผมมันยังไม่แห้งดีและผ้าเช็ดตัวผืนที่ใช้หม่มออกมาจากห้องน้ามันก็ชื้นซะแล้วเราก็เลยเดินตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าเผื่อว่าจะมีผ้าเช็ดตัวที่ยังแห้งเหลืออยู่บ้างจะได้เอามาเช็ดผมต่อทว่าทันทีที่เราเปิดประตูเสื้อผ้าออกมานั้น เราก็เห็นร่างของผู้หญิงเปลือยคนหนึ่งผมหยิกผิวขาวซีดนั่งขูดตัวอยู่ในนั้นหัวของเธอหักพับจนเกือบขนานไปกับหัวไหล่ลำคอของเธอถูกมัดเอาไว้ด้วยอะไรคล้ายคลยนิกไทผูกโยงเข้ากับราวสำหรับแขวนไม้แขวนเสื้อด้านบนแต่ที่น่าสยดสยองที่สุด คือบนหน้าอกของเธอมีมีดเล่มใหญ่ปักอยู่เลือดสีแดงคล้ำที่แข็งตัวและเลือบเปลือปไปหมดเราอยากจะกรีดร้องออกมาดังๆแต่เหมือนถัอะไรบางอย่างสะกดไว้ทำให้ไม่สามารถที่จะส่งเสียงหรือขยับตัวออกมาได้จากตรงนั้นทันใดนั้นแฟนก็เปิดประตู โผล่ออกมาจากห้องน้ําและวิ่งมากระชากไหลของเราออกจากตรงนั้นแล้วไฟก็ดับพลึบลงวิ่งเร็วเธอแฟนตะโกนดังลั่นและเราก็พรวดออกมาจากห้องนั้นตามมาด้วยแฟนที่หิ้วกระเป๋าพลุงพลังออกมาด้วยเราวิ่งพลวดก็ถึงชั้นล่างแวบแรก ที่เห็นเคาน์เตอร์นั้นมันคือความว่างเปล่าพนักงานที่ยืนอยู่ตรงนั้นในตอนแรกที่เราเข้ามาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แฟนวางกุญแจไว้แล้วเพ่นแนบไปที่รถอย่างไวรวมทั้งเราด้วยไม่อยู่แล้วเราขับรถออกจากโรงแรมและมุ่งหน้าไปที่บ้านของแฟนเลยทีเดียวซึ่งสิ่งแรกที่เราทํา เมื่อไปถึงที่นั่นก็คือเดินสายทําบุญกันยกใหญ่หลายวันต่อมาเราต้องผ่านที่ตัวเมืองนี้อีกเลยถือโอกาสแวะไปหาข้อมูลกันสักหน่อยไม่ใช่ที่ไหนอื่นไกลก็ที่ปั๊มน้ำมันก่อนถึงโรงแรมนั่นแหละถามเด็กปั๊มจนได้ความว่าโรงแรมแห่งนั้นแต่ก่อน โรงแรมของพวกเซลแมนเพราะราคาถูกอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องก็คือก็มีเซลแมนคนหนึ่งอพอเด็กมาจากไหนก็ไม่รู้พากันไปนอนที่โรงแรมแห่งนี้แล้วคงมีปัญหาอะไรกันสักอย่างก็เลยฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายแล้วซ่อนศพไว้ในตู้ต่อมาโรงแรมก็เริ่มที่จะไม่มีคนเข้าพักเพราะมีคนเจอดีกันบ่อย นอกจากรายของเซลแมนแล้วก็มีผัวเมียฆ่ากันตายบ้างมาฆ่าตัวตายในห้องพักบ้างสรุปคือเหี้ยนมากๆจนคนแถวนั้นเขารู้กิจศัพ์กันหมดแล้วจะมีก็แต่พวกคนต่างถิ่นไม่รู้เรื่องอะไรที่มักจะหลงเข้าไปพักกันบ่อยๆส่วนที่ว่าทำไมแฟนถึงเร่งให้ออกจากโรงแรมตอนนั้น ก็เพราะว่าเขาเจอแบบเดียวกับเราเลยเพียงแต่ว่าแฟนเป็นคนจิตแข็งและไม่อยากกระโตกกระตากอะไรออกมาเท่านั้นเองส่วนเราน่ะเหรอบอกได้คำเดียววันหลอนจนีมกล้าอนโรงแรมไปพักใหญ่เลยทีเดียวถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ